ธรรมบทแปลเรื่องมหาตนะวานิชภาคที่ห้าเรื่องที่หนึ่งร้อหนึ่งข้อความมบืองต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพ่อขามีทรั์มากรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวานิโชวะพระยังมรคังเป็นต้นตอน พ่อค้านิมนต์ภิกษุห0 0เดินทางร่วมดังได้สดับมาพวกโจร500คนสแสวงหาช่องในเรือนของพ่อค้านั้นไม่ได้ช่องแล้วโดยสมัยอื่นพ่อค้านั้นบรรทุกเวียนห้าร้อเล่มให้เต็มด้วยสิ่งของแล้วให้ประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าจะไปสู่ที่ชื่อโนนเพื่อค้าขายพระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปสู่ที่นั้นก่อ น, นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจงออกไปจะไม่ลำบากด้วยภิกษาในหนทางภิกษุห้ารอยรูปฟังคำนั้นแล้วได้เดินทางไปกับพ่อขานั้นโจรแม้เหล่านั้นได้ยินข่าวว่า พ่อคานันจะออกไปแล้วจึงได้ไปซุ่มอยู่ในดงฝายพ่อค้าเมื่อไปก็ยึดเอาที่พักใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจะแจงโคและเกวียนเป็นต้นสิ้นสองถึงสาวันและถวายภิกษาแกภิกษุเหล่านั้นเป็นนิดทีเดียวตอนพวกโจร ให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อขาพวกโจรเมื่อพ่อขานั้นล่าช้าอยู่จึงส่งบุรุษคนหนึ่งไปด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปจงรู้วันออกเดินทางของพวกพ่อขานั้นแล้วจงมาบอกเราดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไปถึงหมู่บ้านนั้นแล้วจึงได้ถามสหายคนหนึ่งว่า พ่อค้าจะออกไปเมื่อไรทรายนั้นตอบว่าโดยการล่วงไปอีก 2-3 ถึงมวันแล้วท่านถามเพื่ออะไรในที่นั้นบริษนั้นจึงบอกว่าพวกข้าประชาเป็นโจร500อยซุ่มอยู่ในดงเพื่อต้องการพ่อค้านั่นซรายนั้นจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงส่งข่าวไปเถิดพ่อค้าจะออกไปโดยเร็วเขาเมื่อกล่าวกับสายของโจร และส่งเขาไปดังนั้นแล้วจึงได้คิดว่าก็เราจะห้ามพวกโจรหรือพวกพ่อค้าดีเนอจึงมีความตกลงใจว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยพวกโจรวิสู่5 0รรูปอาศัยพ่อค้าเป็นอยู่เราจะให้สัญญาแก่พ่อค้าดังนนีน้แล้วชายนั้นจึงเข้าไปสู่สำนักของพ่อค้าแล้วถามว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ เมื่อพวกพ่อค้าต่อบบ่าในวันที่สามเขาจึงกล่าวขึ้นว่าท่านจงทําตามคําคของข้าพเจ้าได้ยินว่าโจรห้าร้อยซุ่มอยู่ในดงเพื่อต้องการตัวท่านท่านอย่าพึ่งไปก่อนตอนพ่อค้าถูกโจรสกัดต้องพักอยู่ในระหว่างทางพ่อค้าถามว่าก่แล้วท่านรู้ได้อย่างไรสายผู้นั้น เพื่อนของข้าพเจ้ามีอยู่ในระหว่างพวกโจรเหล่านั้นข้าพเจ้ารู้เพราะคำบอกเล่าของเขาพ่อกาถ้าเช่นนั้นประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปจากที่นี้เราจะกลับไปเรือนของเราละเมื่อพ่อการนั้นชักช้าอยู่บรุษที่พวกโจรจงมาเป็นสายก็ได้มาถามสายนั้นได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้ว ไปบอกกับพวกโจรว่าได้ยินว่าพวกพ่อค้าจะกลับไปเรือนทีเดียวพวกโจรได้ฟังคำนั้นแล้วจึงได้ออกจากดงไปซุ่มอยู่หนทางที่จะกลับไปสู่เมืองเมื่อพวกพ่อค้านั้นชักช้าอยู่โจรเหล่านั้นก็ส่งบุรุษผู้เป็นสายไปยังสำนักของสหายอีก ชานั้นรู้ความที่พวกโจรซุ่มอยู่ในที่ที่จะกลับไปเมืองแล้วจึงแจ้งแก่พ่อขาอีกพ่อคานั้นมีความคิดว่าแม้ในที่นี้ความขาดแคลนด้วยอะไรอะไรของเราก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่ไปทางข้างโน้นจะไม่ไปทางข้างนี้จะอยู่ที่นี่แหละดังนี้นแล้วก็ไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลาย กราบรเรียนด้านบ่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าพวกโจรประสงค์จะปล้นผมซุ่มอยู่ระหว่างริมทางไปสู่ดงครั้นได้ยินว่าพ่อคร้าจะกลับไปสู่ในเมืองจึงไปสุ่มอยู่ริมหัทางที่จะกลับไปสู่เมืองผมจะไม่ไปทั้งข้างนนทนจะไม่ไปทั้งข้างนี้จะพักอยู่ที่นี่แหละชั่วคราว ท่านผู้เจริญทั้งหลายประสงค์จะอยู่ที่นี่ก็จงอยู่ประสงค์จะไปก็จงไปตามความพอใจของพระคุณท่านเถิดพวกภิกษุจึงกล่าวว่าอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกฉันจะกลับละพวกภิกษุอำลาพ่อกาแล้วในวันรุ่งขึ้นไปสู่เมืองสาวัตถีถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ พระศาสดาได้ตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ได้ไปกับพ่อค้ามีทรัพย์มากอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นพระชุก้าพวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้งสองข้างเพื่อต้องการปล้นพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากเพราะเหตุนั้นเขาจึงพักอยู่ในหมู่บ้านนั้นส่วนข้าพระองค์ลาเขากลับมา พระผู้มีพระบาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภัยเพราะความที่พวกโจรมีอยู่บุคคลแม้ใกล้จะเป็นอยู่ย่อมเว้นย่าพิษอันร้ายแรงแม้ภิกษุทราบว่าพบทั้งสามเป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่ดังนี้แล้ว ก็เว้นกรรมชั่วเสียจึงจะกวนและเมื่อจะส่งสื่อนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสประกาศาน้ว่าว่านิโชวะพยังมัขังอปะสัตโถมหัตถโนบิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปะริวัชชะเยแปลว่าบุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสีย เหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อยเว้นทางอันปึงกลัวและเหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่เว้นอย่าพิฉนั้นตอนแกะอัดนบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพยังได้แก่ภัยอันน่ากลัวอธิบายว่าชื่อว่ามีภัยเฉพาะหน้าเพราะเป็นทางที่พวกโจรซุ่มอยู่ ท่านอธิบายคำนี้ไว้ว่าพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อยเว้นทางมีภัยเฉพาหน้าฉันใดผู้ต้องการเป็นอยู่ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรงฉะนั้นภิกษุผู้บัณฑิตควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียแม้มีประมาณน้อยก็ฉะนั้นในการจบเทสนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระรหัส พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายประเทศนสนได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนผู้มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องมหาธนาวานิต